พ่อคิดหลายแง่หลายกระทงตลอดพรรษาที่บ้านนามุนแห่งนี้ท่านยังคงสมาทานทุดงยางเคร่งครัดในข้อฉันอาหารที่ได้มาในบาทเท่านั้นเหมือนเมื่อครั้งไปอยู่กับท่านอาจารย์มั่นใหม่ๆในปีแรก แม้ท่านอาจารย์มั่นจะทราบดีถึงความเคร่งครับจริงจังของท่านในเรื่องนี้แต่ด้วยความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่มีต่อสิทธิ์ประกอบกับจะหาอุบายสอนสิทธิ์ให้ฉลาดรอบและรู้ความพอเหมาะพอสมภายในใจทำให้บางครั้งท่านอาจารย์มั่น ก็ได้เอาอาหารมาใส่บาต ท, ท่านพร้อมกับพูดว่าขอใส่บาตหน่อยท่านมหานี่เป็นสมณบริโภคหรือบางครั้งก็ว่านี่เป็นเครื่องบริโภคของสมณะขอนิมน์รับเถอะเหตุการณ์ในตอนนั้นท่านเคยเล่าไว้ดังนี้บางครั้ง มีคณะสถาทางจังหวัดหนองคายบ้างและที่สกลนครบ้างที่อื่นๆบ้างไปใส่บาตรท่านและพระในวัดบ้านนามน์อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนานๆมีไปทีหนึ่งเพราะแต่ก่อนรถราไม่มีต้องเดินด้วยเท้าแต่เขาไปด้วยเกวียนจ้างล้อจ้างเกวียนไป เขาไปพักเพียงคืนสองคืนและไม่ได้พักอยู่ในวัดกับพระท่านแต่พากันไปพักอยู่กระท่อมนาของชาวบ้านนามน์ตอนเชา้าทำอาหารบิณฑบาตเสร็จแล้วก็มาถวายพระในวัดนั้นเขาไม่ได้ไปดักใส่บาทนอกวัดเราก็ไม่กล้ารับกลัวธุดงขาดเดินผ่านหนีมาเลย สำหรับท่านก็รับให้เพราะสงสารเขาเท่าที่สังเกตดูอาหารก็เหลือจากใสาบาดมากมายก็ได้นำขึ้นมาบนศาลาเ ป, เป็นหมกเป็นห่อและผละไม้ต่างๆนะเราก็ไม่รับส่งไปไหนก็หายเงียบหายเงียบไม่มีใครรับจะมีบ้างเพียงองค์สององค์ ผิดสังเกตศรัทธาเขาไม่น้อยส่วนเราไม่กล้ารับเพราะกลัวทุดงข้อนี้ขาดหลายวันต่อมาท่านก็ขอใส่บาตรเราโดยบอกว่านี้เป็นสมณะบริโภคขอใส่บาตรหน่อยแล้วท่านก็ใส่บาตรเราท่านใส่เองนะถ้าธรรมดาแล้วโถวใครจะมาใส่บาตรเราได้วะ สำหรับเราเองกลัวธุดงจะขาดหรืออย่างน้อยไม่สมบูรณ์นอกจากท่านอาจารย์มั่นผู้ที่เราเคารพเลื่อมใสเต็มหัวใจเท่านั้นจึงยอมลงและยอมให้ใส่บาตรตามการอันควรของท่านเองความจริงท่านคงเห็นว่านี่มันเป็นทิฐิแฝงอยู่กับธุดงที่ตนสมาทานนั้น ท่านจึงช่วยดัดเสียบ้างเพื่อให้เป็นข้อคิดหลายแง่หลายกระทงไม่เป็นลักษณะเถนตรงไปถ่ายเดียวท่านจึงหาอุบายต่างๆสอนเราทั้งทางอ้อมและทางตรง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 ในคำเตือนของครูบาอาจารย์ทันที กินอยู่ใช้สอยเรียบง่ายแต่หรูหราด้วยคุณธรรมในระยะที่อยู่กับท่านอาจารย์มั่นท่านจะเมตตาพร่ำสอนเสมอว่าให้เราเป็นคนกินน้อย นอนน้อยพูดน้อยแต่ปฏิบัติให้มากหรือกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายการไปการมาง่ายหมายถึงไม่ทำตนเป็นผู้ยศหนักสักใหญ่หรือเป็นประเทศกรรมฐานขุนานาง รู้รูราราแต่วัตถุสิ่งของภายนอกแต่จิตใจหาคุณความดีไม่ได้เลยอันนี้ท่านไม่สรรเสริญท่านชื่นชมบุคคลประเภทอ่อนน้อมถ่อมตนทำตัวประดุษผ้าขีริวแต่ภายในใจนั้นรู้รางดดงามด้วยธรรมจะเรียกว่า เศรษฐีธรรมก็ไม่ผิดช่วงออกพรรษาเป็นระยะที่พระผู้ ม, มุ่งความสงบมีโอกาสหลีกเกรนหาที่ภาวนาในป่าเขาที่สงบสงัดแม้ท่านเองก็เช่นกันท่านปรารถนาจะวิเวกโดยลำพัง เพราะสะดวกต่อการภาวนามากท่านว่าไปวิเวกสองคนขึ้นไปเหมือนน้ำไหลบา่ามันขัดมันคล้องอยู่ในตัวเพราะต้องระมัดระวังกันและกันต้องคอยดูคอยห่วงคอยรับผิดชอบกันอยู่ในตัวนั้นแหละแต่การไปคนเดียวเป็นความเพียงอยู่ตลอดเวลา ดังท่านเล่าว่าไปที่ไหนไปแต่องค์เดียวเป็นความเพียรตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเดินจงกรมจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านนั้นเดินจงกรมท้งนั้นนะเป็นความเพียรตลอดอยู่นั้นก็เวลาไหนมันเผลอจากความเพียร พลาความเพียร น, นี้ที่ไหนนี่เป็นตามนิสัยของเจ้าของมันเป็นอย่างนั้นมาอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี้ก็เป็นความจำเป็นก็อยู่เสียเช่นยางมาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นในพรรษาเราต้องดูแลหมู่เพื่อนต้องกังวลวุ่นวายนั่นนี่เป็นธรรมดา ทั้งเพื่อการอบรมศึกษาของเราเองอีกแต่ก็ทนเอาครั้นพอออกจากนั้นแล้วถึงได้ดีดผึ่งเลยเพราะฉะนั้นท่านถึงรู้นิสัยละสิว่าพอรู้ว่าเราจะไปท่านก็ถามไปกับใครไปองค์เดียวครับกระผมเออท่านมหาไปองค์เดียว ใครอย่าไปยุ่งท่านนะท่านรู้ทันทีนะให้ท่านไปองค์เดียวนะท่านมหามีบางครั้งเหมือนกันที่ท่านอาจารย์มั่นพูดหยอกล้อเล่นกับท่านเช่นในเวลาที่ท่านขอลาวิเวกทั้งทั้งที่องค์ท่านก็ทราบดีว่านิสัยของท่านจริงจังขนาดไหนแต่เวลาจะไปจริงๆเข้า องค์ท่านก็พูดหยอกเล่นด้วยความเมตตาว่าเอาให้ดีนะการเลือกสถานที่ภาวนาในเวลาท่านออกวิเวกนั้นเพื่อให้สะดวกต่อการบำเพ็ญเพียรท่านมักถือปฏิบัติดังนี้มักเลือกสถานที่ภาวนาโดยสังเกตดูว่า หมู่บ้านไหนมีบ้านสักสามสี่หลังคาเรือนบ้างเก้าสิหลังคาเรือนบ้างจะได้ข้าวปลาอาหารขนมข้าวหวานชนิดไหนมากน้อยเพียงใดไม่เป็นเรื่องวิตกกังวลแต่อย่างใดการขบการฉันก็พอเป็นเครื่องยังชีพ ให้มีชีวิตเป็นไปเพื่อกา ร, รประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ก็เอาแล้วไม่เห็นแก่รสชาติไม่เห็นแก่ร้นรอนหรือเยน็นยิ่งกว่าความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจการออกเที่ยวกรรมฐานของท่านอาศัยเดินด้วยเท้าเปล่าเพราะแต่ก่อนรถยนต์ไม่มีถนนหนทางไม่มี แบกรดสะพายบาทเข้าป่ารกชัดถ้ำเนื้อมผาเพื่อหาสถานที่สงบวิเวกผ้าที่ท่านนำติดตัวไปก็มีเฉพาะผ้าสามผืนคือสบงจีวรสังคาติและผ้าอาบน้ำอีกผืนหนึ่งเพื่อใช้ผลัดเปลี่ยนตอนสงน้ำหรือ ใช้เป็นผ้าห่อบาดและเช็ดบาดด้วยความทุกข์ยากแสนสาหัสจากการออกทุดงนั้นมีหลายแบบหลายอย่าง หนาวความทุก์แบบหนึ่งที่พระกรรมฐานผู้มุ่งธรรมต้องประสบเสมอๆคือทุกจากลดูการเฉพาะอย่างยิ่งหน้าหนาวทางภาคอีสานท่านกล่าวไว้ดังนี้อากาศหนาวจริงๆเวลาออกวิเวกเพราะ ไม่นำผ้าห่มติดไปด้วยใช้แค่จีวรกับผ้าสังขติพับครึ่งแล้วห่มพอกันหนาวได้บ้างแต่ถ้าคืนไหนหนาวมากจริงๆคืนนั้นนอนไม่ได้เลยต้องลุกขึ้นนั่งภาวนาสู้เอาตามหน้าตามตาแขนขารวมถึงริมฝีปากเหล่านี้แตกหมดตกกระหมด การอาบน้ำต้องรีบอาบตอนกลางวันหลังปัดกวาดใบไม้แล้วอาบในครองบ้างตามซอกหินซอกผาบ้างหรือในห้วยในครองที่ไหนพออาบได้ก็อาบถ้ากะเวลาก็ประมาณบ่ายสามโมงเพราะอาบค่ำนักไม่ได้อากาศหนาวมากจริงๆน้ำก็เย็นมาก ทั้งๆ ท, ที่ตอนนั้นยังหนุ่มน้อยอยู่แต่มันก็ยังหนาวถึงขนาดนั้นสำหรับเรื่องกุฏิที่พักนั้นท่านให้ชาวบ้านทําเพียงวันเดียวก็เสร็จแล้วพอใช้หลบแดดหลบฝนป้องกันชื้นหรือร้อนหนาวได้ก็เพียงพอแล้วลักษณะก็ทําเหมือนประห โดยเอาใบไม้มาวางทำเป็นร้านเอาใบไม้วางข้างบนแล้วเอากรดแขวนข้างล่างท่านเคยเล่าถึงความหนาวเหน็บในระหว่างการวิเวกในป่าว่าช่วงหน้าหนาวแม้ว่าทําถึงอย่างนั้นก็ตามน้ำค้างยังคงพัดปลิวเข้ามาถึงได้เปียกเหมือนกับเราซักผ้านั่นแลเปียกทุกคืน ทุกเช้าดังนั้นพอฉันเช้าเสร็จถึงได้เอาออกไปตากแดดถ้าตากเช้าไปแดดก็ยังไม่มีต้องทิ้งไว้นั้นก่อนกลางทิ้งไว้อย่างนั้นพอฉันเสร็จแล้วก็เอามุ้งออกไปตากที่แดดแม้ตากอย่างนั้นทุกวันทุกวันมันก็ยังขึ้นราได้เป็นจุดดําๆของรา มันเหมือนกับลายเสดดาวนั่นแหละทั้งๆ ท, ที่มุ้งสะอาดอยู่ก็ขึ้นราเนื่องจากมันไม่ได้แห้งตามเวล่เวลาของมันสำหรับบริเวณใกล้เคียงที่พักนั้นจะมีทางจงกลมหลายสายอยู่ใต้ร่มไม้เพื่อเดินในเวลากลางวันเพราะช่วงเช้าสายหรือเที่ยงบ่ายนั้น ต้นไม้จะให้แนวร่มต่างกันไปจึงต้องมีทางจงกรมไว้หลา ย, ลายสายสายแนวร่มในช่วงใดก็เดินจงกรมช่วงเวลานั้นส่วนในบางที่เป็นที่ล่งโล่งแจ้งแจ้งที่ไม่มีต้นไม้มักใช้เป็นทางจงกรมไว้เดินตอนกลางคืนเผื่อว่าหากมีงูแมงป่อง หรือสัตว์มีพิษอื่นๆผ่านมาก็จะพอมองเห็นได้เป็นเงาดำๆท่านไม่ได้จุดไฟตอนเดินจงกรมเพราะในช่วงออกวิเวกนั้นท่านพกเทียนไขไปนิดหน่อยเท่านั้นหากไม่จำเป็นต้องจุดจริงๆท่านจะไม่จุด ยารักษาโรคท่านว่าไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่เคยได้พกไปด้วยเลยถึงแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเจ็บท้องปวดศีรษะก็ตามท่านมีแต่ใช้การทำภาวนาเท่านั้นเป็นยาเป็นธรรมโอสดอัเลิศและแท้ที่จริงแล้วแม้ในายามปกติตอนที่อยู่ในวัด ยังไม่ได้ออกวิเวกหากไม่จำเป็นจริงๆแล้วท่านก็ไม่นิยมใช้ยาใดๆทั้งสิน้นท่านเคยอธิบายเหตุผลว่าเราไม่ปฏิเสธเรื่องยาแต่สำหรับเรื่องความกังวลจนเกินเหตุเกินผลของสมณะนั้นผิดทางของพระพุทธเจ้าผิดทางของ ผู้จะฆ่ากิเลสผิดทางของผู้เรียนเพื่อรู้สัจธรรมเรื่องอยู่ยาก็ให้นำมารักษากันไปได้อยู่แต่ไม่ให้หลงจนเกินความกังวลอันเป็นเรื่องของกิเลสท่านไม่ได้มารักมาสงวนชีวิตจิตใจยิ่งกว่าธรรม กินแบบนักโทษท่านเข้มงวดจริงจังมากกับการควบคุมเรื่องอาหารการคบฉันเพื่อไม่ให้มาเป็นโทษหรือเป็นพิษเป็นภัยต่อการภาวนาถึงแม้จะทุกยากเพียงใด ท่านก็พยายามอดทนดังนี้ข้าวไม่กินภาวนายิ่งดีหลายวันกินทีหนึ่งหลายหลายวันถึงกินทีหนึ่งสมาธิก็แนว่วพอทางขั้นปัญญานี้ก็เหมือนกันปัญญาก็คล่องตัวถ้าอดอาหารนะมันช่วยกันจริงๆนี่หมายถึงผมเอง อย่าว่านิสัยยาบอะไรก็แล้วแต่เธอถ้าฉันอิ่มอิ่มแล้วโอ้โหขี้เกียจก็มากนอนก็มากราคะตัณหาก็มาเกิดได้ระวังอันนี้หละมากนะคือธาตุขันเวลามันคึกขนองมันเป็นของมันนะเราไม่ได้ไปคึกขนองกับมัน ไม่ได้ไปสนใจยินดีใ ย, ยดีกับมันก็ตามนะแต่เรื่องาธาตุเรื่องขันเป็นเครื่องเสริมมันแสดงออกมาเราก็รู้อย่างอาหารดีๆตามสมมุตินิยมนี้ด้วยแล้วพวกผัดผัดมันๆโหเก่งมากนะได้ระวังผมไม่ได้กินแหละถึงจะไปในเมืองที่ไหนจำเป็นก็กินนิดๆ ระวังขนาดนั้นนะอาหารสปายะอาหารเป็นที่สบายในธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าที่สบายในการภาวนาต่าหากนี่ไม่ได้สบายเพื่อราคะตัณหากเกี่ยวกับธาตุขันนี่นะกินแล้วธาตุขันก็ไม่กำเริ่การภาวนาก็สะดวกสบายท่านหมายเอาอย่างนั้นต่าหา จึงต้องได้ระมัดระวังโอ้ยกินแบบนักโทษนั่นแหละพูดง่ายๆจะเห็นแก่ลิ้นแก่ปากไม่ได้นะมันต้องได้มองดูทำอยู่ตลอดเวลายากขนาดไหนก็ไม่เอาถ้าเห็นว่ามันเป็นค่าศึกต่อทำแล้วต้องได้บังคับกันอยู่ตลอดนี่พูดถึงเวลา ฝึกทรมานเจ้าของอาหารจะต้องมีแต่อาหารอย่างว่าละเช่นข้าวเปล่ลาไม่ต้องพูดละจนชินเรื่องฉันข้าวเปล่ลาอยู่ในป่าในเขาบางทีถ้าสมมุติว่าเขาตำน้ำพริกมาให้เขาก็ใส่ปลรราเสียปลาร้าก็เป็นปลรราดิบอย่างนี้มันก็ฉันไม่ได้เสียจะว่ายังไง เพราะไม่ได้มีใครตามมานี่เขาจะตามมาอะไรเราก็ไม่ให้เขาตามนี่เราไม่ต้องการยุ่งบางทีเขาก็ตำน้ำพริกให้สะฮอหนึ่งมาน้ำพริกถ้ามีแต่พริกล้วนเราก็ฉันได้แต่นี้มันมีปลาร้า น, นปลาดิบนี่เขาไม่ใช่ทําปลาสุก มันก็เลยกินไม่ได้ฉันข้าวเปล่าๆมันฉันได้มากแค่ไหนสองสามคำ ม, มันก็อิ่มแล้วทีนี้เดินจงก่มตัวปลิวไปเลยนั่งภาวนานี่เป็นหัวต่อไม่มีโงกมีม่วง มันก็บ่งให้เห็นได้ชัดๆว่าเพราะอาหารนั่นเองมันทำให้โงกให้ง่วงถ้ามีกับดีๆก็ฉันได้มากฉันได้มากก็นอนมากขี้เกียจมากนะสิงกง่วงนั่งสับปะงกงกนันไปละก็เคยเป็นอยู่แล้วรู้อยู่ไปอยู่อย่างนั้นมันไม่นี่ฉันอาหารอย่างที่ว่านี่นะ เพราะฉะนั้นจึงอดบ้างอิ่มบ้างอยู่ไปขอให้ใจได้สะดวกสบายยอดนักรบ ทุกแสนทุกข์ทั้งที่ลำบากแทบเป็นแทบตายบางครั้งแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ความที่จิตมีความเจริญขึ้นเจริญขึ้นท่านจึงยอมอดยอมทนได้จนมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังท่านกลับจากการออกวิเวกลงมาจากเขา มาถึงวัดบ้านหนองผือก็เข้ากราบท่านอาจารย์มั่นรูปลักษณ์ท่านตอนนั้นปรากฏว่าเนื้อตัวซีดเหลืองเหมือนทาขมิ้นปานผู้ป่วยเป็นโรคดีซ่านทั้งร่างกายก็สูผ้ผอมยังเหลือแต่หนังห่อกระดูกจากเดิมคนหนุ่มอายุสามสิบกว่ากลับดูเหมือนคนแก่คนเฒ่า ดังนั้นเมื่อท่านอาจารย์มั่นมองเห็นลูกศิษย์คงตกตะลึงขนาดอุทานว่าโหทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะลูกศิษย์ยังคงนิ่งอยู่ไม่ได้ตอบอะไรท่านเกรงจะตกใจและเสียกำลังใจก็กลับพูดให้กำลังใจในทันทีนั้นว่ามันต้องอย่างนี้สิจึงเรียกว่า นัร